ทราธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งเจดลำดับที่แดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าศึกษาวิชาหรือพบหรือชาตวันนี้หลวงพ่อรวยเลยได้กระถินสามกองนะ ว, วันนี้นะ ลูกหลานของคุณโยมญาสีโสมทองผู้ร่วงรับลูกหลานได้ถวายเป็นสังฆทานเป็นการร่วมสมทบสร้างเจดียด์ของหลวงตามาหาบัวสามกองกองละสามพันบาทเก้าพันให้ได้บุญหลายๆนะลูกหลานนะดวงวิญญาณของคุณญาสิงสิงสถิตอยู่ที่ดใดเห็นรับรู้รับทราบ ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานหลวงพ่อเองกำลังระดมเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาในวันที่สิบสองที่จะถึงนั่นะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดแปดสิงหาวันที่สิบสองหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปดับโลรับสาบ ที่วัดป่าบันตาดกับคณะศิษยานุศิษฐ์ทั้งหลายขององค์หลวงตาหนะลวงพ่อก็เข้าไปฟังเข้าไปฟังเข้าไปดูเพหลวงพ่อไม่ใช่เจ้า ก, กี่เจ้า ก, การแต่เป็นเจ้า ก, กี่เจ้า ก, การโอ้ยหลวงพ่อฟันเปียงป้างไปไปที่ไหนที่ไหนแล้วอันนี้หลวงพอ่อเป็นผู้ไปฟังฟังคณะกรรมการเขาจัดยังไง เราก็ในฐานะสิทธิ์ยาวนุสิทธิ์ลูกหลานหลวงตาท่านนึงมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะนั่งเข้าไปช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเรื่องการสนับสนุนเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดนั้นหลวงพ่อว่ายังไงหลวงพ่อพูดมาแล้วเกินร้อยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นะเกิน อยากจะให้มันเกิดขึ้นจุดนั้นวัะนั้นใครถามบอกเลยลุงพ่อเนี่ยสนับสนุนเต็มที่เกินร้อยวันนั้นจะตกประจัยศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้มาคือเอามากน้อยลุงพ่อไม่ได้บีบปลาทาเลนต์พูดง่ายๆใครไม่มีศรัทธ า, ายาอย่าเเข้ามาไม่มีศรัทธาทำไมเชื่อลนะ่ะทำทำไม ทำแล้วเป็นแผลในใจอีกต่างหากทางผู้มีศรัทธาแล้วเออเอามาถือว่าหลวงตาเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติต่อเราแต่หลวงพ่อนะหลวงตาเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับหลวงพ่ออินดังนั้นหลวงพ่ออินจึงได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหลวงตาเองเป็นเป็นบุพการี บุคคลผู้มีอุปกรณ์เราหลวงพ่ออินจะต้องแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาต่ออง์หลวงตาเรื่องธรรมะที่ท่านให้มาอันนั้นเป็นนามธรรมไม่มีอันไหนที่จะมีประมาณการได้ว่าเป็นมีคุณค่ามากน้อยอย่างไรแค่ไหนเพราะมันเป็นนามธรรมเขาสู่จิตใจแต่รูปธ ร, รรมที่หลวงตาสงเคราะห์มา เห็นไหมกำแพงที่ไหนที่ท่า น, น, นให้ทางคิดเป็นเงินออกมาตั้งยี่สิบกว่าล้านสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นร้อยกว่าล้านล้านนะและอย่างอื่นอีกที่ท่านให้ทางด้านวัตถุมากมายเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่จึงได้ว่าแสดงความกตันอยู่ แ, แสดงความกระตันอยู่คำนี้น่ะมันเสียหายไหมสมมติว่าผู้มีอุปกระคุณเป็นผู้เป็นผู้พระการีออบอสสังลูกฆ่าไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้ไปฆ่าให้ฆ่าหน่อยนะไปป้นไปลังแกไปด่าให้ฆ่าหน่อยนะไปเตะไปตีหัวให้มันฆ่าหน่อยนะอันนั้นก็ ถ้าบุพภะการิสั่งมาถ้าเราไปทำก็ทำแบบโง่โง่ทำแบบไม่คิดไม่อ่านทำแบบผิดทำแบบมิจฉาทิฐิ้าบุพภะการีสั่งมาอย่างนั้นแต่นน้พวกเราแสดงความกตัญญูต่อองค์หลวงตาเนี่ยหลวงตามีพระคุณเราแสดงออกเราไปสร้างพระเจดีย์ เราจะทําพิพิธภัณฑ์เราไปทําอย่างนี้เรามองดูแล้วพิจารณานดูดูแล้วไม่เห็นไม่เห็นความผิดมีแต่พภคุณที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินจะเกิดขึ้นในต่อไปภายภาคหน้าแต่มันมีต่งานขึ้นมาแล้วถ้าคอยดูกันแล้วกันทําไม่ตายง่ายทุกคนนะทุกคนทําไม่ตายง่าย ให้สังเกตดูก็แล้วกันจะเป็นสง่าราศีต่อปัตภัตตาศสง่าราศีต่อจังหวัดอุดรสง่าราศีต่อประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อมั่นใจขนาดนั้นจึงได้ทุ่มเทหรืวว่าบอกกล่าวลูกหลานให้มองไปเนแนวแถวเดียวกันให้มองถือว่าเป็นพระคุณไม่ให้มองเป็นอย่างอื่น กอให้พวกเรา ท, ทุกหลานทุกคนนะอันนี้เป็นแนวความคิดเห็นของหลวงพอ่ออแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ประกาศว่าทุกคนต้องเชื่อตามหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ประกาศอย่างนั้นอีกให้สังเกตดูกันแล้วกันต่อไปภายภาคหน้านะหลวงพ่อพยากรณ์ไว้เลยเ อ, อจะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพุทธศาสนาต่อจังหวัดอุตร่คนทั้งหลายจะหลางไหลเข้ามาท่านจะแง่ในนะพดูดในแง่เศรษฐกิจ ก็ส่วนเศรษฐกิจจะดีคนเข้ามากราบมาไหว้เป็นแหล่งที่คู่คนทั้งหลายได้มาเคารพสักการะส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อนคนมาแล้วนะ่ะก็ต้องบ้านเมืองที่ไหนที่ควไปบ้านเมืองในยุคตรงนั้นเขาก็เจริญเขาว่างันนะยุคนี้สมัยนี้ ถ้ามีคนเข้าไปบ้านเมืองตรงนั้นก็ให้ความสนใจก็เจริญเจริญด้วยคนแต่เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นเศรษฐกิจของบ้านเมืองของคู่คนแต่เราคิดว่าเจริญทางด้านจิตใจในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเป็นพระธรรมคาสอนของหลวงตาอยู่นั่นอยู่แล้วผู้ใดเข้ามาศึกษาเข้ามาอ่าน ผู้ใดใจฝนใจไฟธรรมะอ่านแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของตนเองผู้นั้นจะอย่างน้อยก็ต้องมีคุณธรรมในจิตใจมีศีลธรรมในจิตใจรู้จะจริยธรรมคือความประพฤติการดาเนินชีวิตของตนเองต่อไปภายภาคหน้าอันนี้หลวงพ่อคิดคิดจะเกิดประโยชน์อย่างนี้นะ ดัานจึงได้บอกกล่าวลูกหลานผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพอ่อเออเอาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวฟัง m อ3พดูก็ได้ที่ย้อนหลัง เ, เ, เลขบัญชีที่เท่าไหร่โอนเข้าไปเขาบัญชีขอ ง, ของกระทินของหลวงตานะแล้ววันนี้เป็นวันที่แปด สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าอหกสิบวันพุ่งนี้หลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดนันลูกหลานนะหลวงพ่อมีกิจนิมนต์ทางอำเภอศรีบุญเรืองโรงเรียนเขาเขานิมนต์หลวงพ่อไปเนี่ยแหละเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่ทอดผ้าป่าสามมกขีให้ทุนกับโรงเรียนนี่แหละถ้ามีอะไร วันที่เก้าที่สิบแล้วหลวงพ่อจะเล่าเล่าให้ฟังนะแต่ในหลวงพ่อจะได้เขาในมณฑพระไปทั้งหมดเนะก้ารูปนะหลวงพ่อเขาคงจะได้ไปแต่หลวงพ่อไปที่ไหนโดยมากที่หลวงพ่อพูดนะหลวงพอมีแต่ไปให้นะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าไปรับนี่มตฑนะไปรับจุปจตุปัจจากศรัทธาญาตนะิโยมโดยมากจะเอาไปให้ไปสงเคราะห์จะมากกว่านะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าเพราะหลวงพ่ออายุมากแล้วนะ ถ้าได้มากับแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลปิดเดือนนี่ดูๆแล้วก็มีหลายหลยหลายอย่างแต่ก็วันนี้เนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าหลวงพ่อรับนิมนต์หลวงพอ่อคงค ง, คงไม่ได้อยู่วัดแล้ววันนี้แต่ตอนไปบ่ายเขาจจะมีการไปชุมตั้งตั้ ง, งมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ที่อำเภอเพนนวันนีนน้ก็จะมีการประชุมกันตั้งมูลนิธิเพื่อดูแลผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนเป็นกองทุนตั้งเป็นมูลนิธิแต่หลวงพ่อก็ได้ไปนะเมื่อขาวที่แล้วนะไปสร้างอาคารตรงสร้างอาคารโรงโรงประชาบาลขาวนั้นกุ่มช่วยๆกันได้เงินหลายล้านอยู่คิดว่า จวนจะเสร็จและมั่งปานนี่นะห้าล้านอาคารหลังเนะนี่ยอำเภอเป็นนะแต่วันนี้นะเขาจะมีตั้งมูลนิธิขึ้นมาอีกหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเพราะเหตุว่าการตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์คนที่อยากร้ายอยากจนแต่ชื่อในนามของเจ้าปุคุนจอมเด็ดพระเจ้าปุขุนจอมเด็จเนี่ยก่อนเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อพระพุทธศาสนายอย่างมาก เป็นสหายธรรมขององค์หลวงตาอีกต่างหากองค์หลวงตาท่านก็เป็นผู้มีพระคุณองค์การอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไอเจ้าพระคุณสมเด็จไอ้ท่านก็ได้เป็นช่วยทางด้านปกครองคณะสงฆ์ราบรื่นสวยงามมาแต่นี้เขาก็เลยจะตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จพระยาณัสังวรสมเด็จพระสังคราช ที่อำเภอเพนวันนี้เขาจะประชุมกันแต่หลวงพ่อเองก็บอกให้เออถ้าหากว่าดัางนั้นก็ท่านรัตนะนะท่านให้เช่อเพราะท่านรัตนะก็เคยอยู่ที่วัดบวรเคยเป็นผู้ช่วยเลขาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะท่านเป็นคนเมืองการเหมือนกันอท่านรัตนาไปร่วมประชุมก็ได้นะหลวงพ่อเนี่ยไปตลอดตลอนมากก็ไม่ไดีละแก่แล้ว หลวงพ่อไมีออกทางแก่นะลูกหลานทุกวันเนะี่ยไม่แก่ได้ยังไงเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามปีคนที่เกิดมาทีหลังหลวงพ่อเนะี่ยตายไปมรุกกี่คนละหลวงพ่อเนะี่ยยังจะเป็นพระน้อยพระนมอยู่เหรอมันมองดูตนเองมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วนะอย่าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระยามัจยุราชยมมตูดปล่อยลูกกระสุมายิงเสียดซ้ายเสียขวา เดี๋ยวองค์นั้นตายเดี๋ยวองค์นี้นตายเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้นตายมีแต่เสียดเสียดหลวงพ่อทั้งหมดแก่แกแก่กว่าแก่ไม่มากรวยมากก็อ่อนกว่าก็ไม่น้อยเหมือนกันอหลวงพ่อนะยืนโดดเดี่มีแต่มองซ้ายมองขวามองลูกกระสุนอยู่แต่แต่ไม่รู้ว่วันไหน ล, ลูกกระสุนจะมาโดนหลวงพ่อหนะลว ง, นะงพ่อก็พร้อมที่จะยอมน้อมรับ พอเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายจะหนีไปที่ไหนล่ะห <Hey. S 1> ลวงพ่อยอมรับได้ทั้งนั้นแหละ hmm. แต่ว่า <Hey. S 1> เอาเธอะถึงจะตายแล้วมันต้องกินข้าวแล้วกั้นใจกั้นลมหายใจเข้าออกเออก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอดรักษาไปหายใจไปมีจะบอกโอ้หลวงพ่อขอหลวงพอรักษาสุขภาพอภาลานามัยด้วยนะหลวงพ่อให้อายุยืนเออ หลวงพ่อก็รักษาอยู่หายใจไว้อยู่ไม่เคยกั้นใจมันจะถึงเวลาไหนกับเวลานั้นละวะไอ้หลวงพ่อรักษาสุนาทานอาหารให้ขับถ่ายบริการร่างกายหายลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อไรหยุดลมหายใจหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกก็เมื่อนั่นละ่ะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นลละนะลูกหลานนะเออ แต่จะพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับท้าทายแต่ตามให้จริงพูดตามความเป็นจริงนะถ้าคิดไปดูมันจริงไหมมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมมันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยหนีพ้นไปได้กลัวเขเท่านั้นกล้าเขเท่านั้นท้าทายเขเท่านั้นหลบหลีกเขาเท่านั้นอมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งหมดพูดตามความเป็นจริงเดินตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริง ในเรื่องมรณะไปแต่ว่าเรื่องทางด้านจิตใจนั้นเราจะพิกแพงยังไงเราเชื่ อ, อยังไงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติมาจากนั้นเราศึกษาเราก็มั่นใจในจุดนั้นอีกเหมือนกันว่าตายแล้วเกิดอีกแน่แต่สิ่งที่ให้เกิดนั้นคืออะไรคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลง อันนั้นคือตัวกิเลสจะนำพาให้จิตใจดงนี้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่จรรมให้พ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นยังไงเราก็ศึกษาจุดนั้นอีกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าไม่มีทางอื่นนอกจากมักแปดเป็นหวนทางสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้าย นี่แหละสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหนทางที่จะสกัดกั้นจิตใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจากนั้นก็สกัดกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงออกเจกจากจิตใจจิตใจจะบริสุทธิ์เมื่อจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแล้วจิตใจจะไม่ไปหมุนไปตามกิเลส เพราะกิเลสไม่ได้เข้ามาครอบงําเอาธรรมะความรู้แจง้งเห็นจริงเข้ามาครอบงํากิเลสเข้ามาครอบงําไม่ได้จากนั้นนั่นแหะชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายหละจะไม่มาเกิดอีกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะใหตุไรเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้มาบัญชาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีแต่ธรรมเข้ามาความบริสุทธิ์จุดพลเข้ามา รู้แจ้งเห็นจริงนิพพานังปรมามังสุขขังนิพพานเป็นสุดเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมามังสูญอย่างนิพพานสูญสูญเชื้อเชื้อที่จะทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะดับสนิทไม่มาเข้ามาได้อีกเชื้อกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะดับได้สนิท จะไม่มาหมุนพานำจิตวิญญาณด้วยใจของเรานี่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นจึงหว่นนิพพานังประมังศูนย์ยังศูนย์เชื้อที่จะพาไปเกิดในภพภูมินิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยเป็นบอ่อทาไมมีสิ่งที่มา ลบกวนจิตอันบริสุทธิ์แล้วเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นเป็นบรมสุกอ่อันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะอันนี้พวกเราต้องศึกษานะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเรื่องหรือพบ ร, รือชาตินี่นะอ่ะมันไม่ใช่ ร, ร, รือตึกรือตึกลานบ้านช่องขนาดรือตึกลานบ้านช่องเราก็ยังใช้หัวนะถ้ารือไม่ดีมันทับหัวเรานะ เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพอสมควรหรือบ้านอันนี้หรือหรือพบหรือพบหรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมันยิ่งมากกว่านั้นอีกหลา ย, ลายร้อยเท่าฮะมันต้องหลบขอบแต่เป็นสติก็เป็นสติมหาสติมหาปัญญาถ้าเป็นปัญญาก็เป็นมหาปัญญาเป็นปัญญาทิศเลิศกว่าปัญญาทั้งหลาย เลิศกว่าปัญญาที่เราทํามหาเลี้ยงชีพใครว่ามีปัญญาทุ่มทําลูกระเบิดปรมาณูทาอะไรต่อไม่อะไรอันนั้นคือปัญญาทางโลกนะปัญญาที่จะลื้อพบรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเหนือกว่านั้นไปอีกจะบ่ามาหาสติมาหาปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะศึกษาทานศึกษาแล้วจะ แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติอีกต่างหากนะไม่ใช่ศึกษารู้หรือรู้ไม่ใช่นะศึกษาแล้วนํามาปฏิบัติในมาปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเอธรรมะของพุทธะเนี่ยเป็นธรรมะปัจจตังนะเพราะนั้นให้พวกเราฟังฟังแล้วก็นำไปวิเคราะห์จากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปุงกายวาจาใจของเรานะจากนั้นก็เป็นสมบัติของเราเองไม่ใช่สมบัติของคนอื่นนะ ที่ได้ยินได้ฟังมากันยินมาแต่พเราพพวกเรานำ ม, มาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นจมบัิของตนเองนะอัลละพนะฺพรนทนนี้นะ